คงจะไม่ได้แผ่เมตตาจิตให้ตรกูลพยางูสี่ตรกูลเพราะถ้าภิกษุนั้นแผ่เมตตาจิตให้ตรกูลพยางูสี่ตระกูนี้ภิกษุนั้นก็จะไม่ถูกงูกัดถึงแก่มรณภาพ